ภิกษุผู้ประพฤติมานัทลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้กําลังประพฤติมานัทลดฐานะเป็นสามเณรละเกิดวิกลจริตละมีจิตฟุ้งซ่านละกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ละถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติละถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติละถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปการประพฤติมานัดของภิกษุนั้นผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นถูกเรียกเข้าหมู่อีก ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวาทที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวาทที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วมานัตที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วมานัตที่ประพฤติแล้วเป็นอันประพฤติดีแล้วพึงประพฤติมานัตที่เหลือต่อไป